ตอนที่สามสิบคำแนะนําเล็กๆน้อยๆเสีย้ยชิงจื อ, อยังไม่เข้าใจในทันทีนางแตะใบหน้าตนเองเบาๆน้ําตาจวนจะร่วงหล่นลงมาอีกครั้งข้าทําถึงเพียงนี้แล้วยังไม่พออีกหรือย่อมไม่พอแน่นอนเย่เย่เดินวนรอบตัวนางช้าๆพลางเอ่ยขึ้นเจ้าจะคุกเข่าก็ดีหรือจะตกหน้าตัวเองก็ช่างต่อให้เจ้าจะยอมรับผิดอย่างไรแต่นั่นก็เป็นเพียงเรื่องภายในจวนก๋วกงเป็นการยอมรับผิดต่อพวกข้าเท่านั้น ชาวบ้านหาได้เห็นเจ้าคุกเข่าไม่ได้เห็นใบหน้าอันงดงามราบบุพภาของเจ้าถูกตกจนเป็นเช่นนี้และยิ่งไม่ได้เห็นเจ้าสํานึกผิดเย่เยาเดินกลับมาหยุดตรงหน้านางพอดีเสียชิงจียังคงไม่เข้าใจจำชัดนักที่สาวเย่ท่านหมายความว่าจะให้ข้าถอดผ้าคลุมหน้าออกไปพบผู้คนอย่างนั้นหรือเรื่องนี้เรื่องนี้จะทําได้อย่างไรเย่เยาหัวเราะหยันออกมาเพียงแค่ให้เจ้าถอดผ้าคลุมหน้าไปพบผู้คนเจ้าก็ทนไม่ได้แล้วหรือ คำแนะนำของข้ามีได้มีเพียงแค่ให้เจ้าถอดผ้าคลุมหน้าไปพบผู้คนหรอกนะเสี่ยชิงจือสูดลมหายใจเข้าลึกยังยังต้องทำอย่างไรอีกเย่เยาหลีตาลงกัดฟันเอ่ยธัญญาของข้าต้องทนทุกทรมานเพียงใดเจ้าก็จงรับมันไปให้หมดสิน้นเสี่ยชิงจือมุมปากของเยี่เยาโยค้งขึ้นแฝงไปได้วยความคมปราบทำเช่นนี้แล้วใครจะกล้าตำหนิเจ้าได้อีก เมื่อนั้นขุนนางฝ่ายตรวจการย่อไม่ลามปามไปถึงตัวสิ้นอ๋องและจะไม่หยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นโจมตีเขาอีกไม่ใช่หรือเสียชิงจือหน้าถอดสีน้ำเสียงสันเครือพี่สาวเย่ยท่านท่านจะให้ข้ากินอาหารยาเหล่านั้นและต้องผิดจากลูกประคำหอมประหลาดจากซีวีด้วยอย่างนั้นหรือเ ย, ย่เยาวแค่นยิ้มเย็นเจ้าถนัดแท้งคาตัวหน้าสงสารที่สุดไม่ใช่หรือแทนที่จะมาคร่ําครวญอ้อนวอนต่อหน้าข้ามิสู้พึ่งพาตัวเจ้าเองจะดีกว่าหรือ ต่อให้ข้าไปขอร้องท่านพ่อและพี่ชายให้พวกเขาเอ่ยช่วยในราชสํานักเพียงไม่กี่คําก็ช่วยท่าน อ, องไม่ได้มากนักหรอกเจ้าลองทําตามวิธีของข้าดูสิรับรองว่าเห็นผลทันตาเสี้ยชิงจือหวาดผวาแต่ว่าอาหารยานั่นกับลูกประคําหอมประหลาดจากซีวีกลัวหรือเย่เย่า ย, ยิ้มในที่สุดเจ้าก็รู้จักความกลัวแล้วหรือในที่สุดเจ้าก็รู้แล้วใช่ไหมว่าท่านญาของข้าต้องทนทุกข์พระเจ้าเพียงใดจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด เสียงตวาดต่ำของเย่เยาทำให้เซี่ยชิงจือถอยหลังกรูดไปสามก้าน้ําตาร่วงเพาะดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนางต้องการให้เซี่ยชิงจือรู้ว่าความผิดที่ตนเองก่อขึ้นนั้นผลรับมันรุนแรงเพียงใดทางที่ดีที่สุดคือให้นางได้สัมผัส ด, ด้วยตนเองสักครั้งมิเช่นนั้นนางจะไม่มีวันจําบทเรียนและถือเป็นการทวงคืนค่าตอบแทนที่นางเกิดจะทําร้ายท่านยาจนถึงแก่ชีวิตถึงสองครั้งสองคราความทุกนี้เซี่ยชิงจือสมควรได้รับมัน เซี่ยชิงจือถูกขู่จนพูดไม่ออกใบหน้าเล็กๆขาวซี่ทำได้เพียงปล่อยให้น้ำตาไหลรินเย่เยาไม่บีบขั้นนางวิธีข่าบอกเจ้าไปแล้วจะทำหรือไม่ก็สุดแล้วแต่เจ้าเย่เยาโน้มตัวไปกระซิบข้างหูนางราวกับนางปีศาจให้ข้าได้เห็นหน่อยเถิดว่าจวนสิ้นอองที่มีบุญคุณท่วมหัวเจ้าในใจเจ้านั้นจะมีน้ำหนักมากเพียงใดเซี่ยชิงจือรู้สึกราวกับถูกเข็มเหล็กทิ่มแทงนางเงยหน้าขึ้นสบตาที่ยิ้มแย้มของเย่เยาในใจพลันเกิดความหวัดหวั่นอย่างรุนแรง ยี่ยาวที่อยู่ตรงหน้าในยามนี้ดูราวกับนางปีศาจจริงๆที่แผลซ่านไปด้วยกลิ่นไออันตรายเข้มขน้นเสี้ยชิงจือรู้สึกว่าในชั่วพริตตาถัดไปอีกฝ่ายจะอ้าปากกลืนกินนางลงท้องนางปีศาจผู้นี้นอกจากจะแย่งชิงที่ลึกไปจากนางแล้วแม้แต่ตัวนางเองก็ยังไม่ยอมปล่อยไปด้วยความหวาดกลัวจับใจเสี้ยชิงจือจึงรีพันหลังวิ่งหนีออกจากตรอกอย่างไม่คิดชีวิตแล้วมุดกลับเข้าไปในเกี้ยวทันที เจียนเจียและป๋ายลู่มองเกี้ยวที่จับไปอย่างเร่งรีบด้วยความเหม็นงงเมื่อหันกลับมาก็เห็นคุณหนูของพวกนางเดินออกมาด้วยท่าทางผ่อนคลายรอยยิ้มที่ประดับบนมุมปากนั้นงดงามเพะว่าวแสงไปด้วยอันตรายพอมองอีกทีเกี้ยวของเซียชิงจือก็เคลื่อนที่ไปไกลจนลับสายตาเสียแล้วสาวใช้ทั้งสองต่างพากันสงสัยคุณหนูนางพูดอะไรกับท่านหรือเจ้าคะแล้วท่านพูดอะไรกับนางนางถึงได้วิ่งหนีเราวยิ่งกว่ากระต่ายเสียอี เยี่ยว่แค้นยิ้มเย็นไม่มีอะไรนางมาขอให้ข้าช่วยข้าก็เลยให้คําแนะนําเล็กๆ็กน้อยๆไปเท่านั้นเองสาวใช้ทั้งสองฟังไม่ออกถึงความในที่ซ่อนอยู่จึงเอ่ยด้วยความไม่พอใจนางเกือบจะทำร้ายฮูหญินเท่าของเราตั้งหลายครั้งยังกล้ามาขอให้คุณหนูช่วยอีกหรือเจ้าคะแล้วคุณหนูยังจะให้คําแนะนํานางอีกหรือนางขอให้ท่านช่วยเรื่องอะไรกันรอยยิ้มของเยี่ยวก้างขึ้นย่อมเป็นคําแนะนําที่ดีนะสิ เมื่อสาวใช้ทั้งสองได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดพากันบ่นพึมพำใส่เย่เยาไม่หยุดเย่ยาหาได้ใส่ใจไม่ต่อจากนี้จะมีนิ้วฉัดใหญ่ให้ชมนางอารมณ์ดีอย่างยิ่งเสียงบ่นของสาวใช้ทั้งสองจึงกลายเป็นเพียงลมพัดผ่านหูที่มุมอับสายตาฝั่งตรงข้ามถนนมีร่างหนึ่งโผล่ออกมาอย่างลับๆ ล, ล่อๆหากมองให้ดีจะพบว่าเป็นพ่อค้าหาบเรที่หนีไปเมื่อครู่นั่นเอง พักพวกที่อยู่ข้างกายเขายังคงตามมาด้วยพวกเขามองตามสายตาของเขาไปจนเหงืเย่โยต่างก็พากันอุทานเสียงเบานั่นมันนีเด็กที่ขัดขวางแผนการของหัวหน้าคราวก่อนนี่พ่อค้าหับเร่ยิ้มเย็นเป็นนีเด็กนี่จริงๆเมื่อครูคาก็รู้สึกว่ามีพิรุษไม่เสียแรงที่เข้านกกลับมาดูอีกรอบหัวหน้าท่านสั่งมาเลยว่าจะให้ทําอย่างไรพวกพี่น้องจะยอมสู้ตายเพื่อล้างแคนที่นางทําไว้คราวก่อนให้ท่านเองพ่อค้าหับเร่ครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะห้ามปราบพวกเขา ไม่ได้ีเด็กนี่ดูท่าทางฐานน้ำไม่ธรรมดาพวกเจ้าไม่เห็นหรือว่าเกี้ยวของจวนสิ้นอองจอดอยู่ตรงที่นางอยู่พอดีนางเป็นสาวใช้ของจวนสิ้นอองหรือสาวใช้จวนสิ้น อ, องออกจากจวนยังได้นั่งเกี้ยวดีๆเช่นนี้เชียวหรือพ่อค้าหาเรย์ถลึงตาใส่พวกเขาอย่างรำคาญพวกเจ้าดูสินามีสาวใช้ติดตามมาด้วยสองคนนางดูเหมือนสาวใช้ที่ไหนกันพักพวกต่างมองหน้ากันไปมาแล้วนางเป็นใครกันแน่ พ่้าหาเรย์รีตาลงจ้องมองเยี่ยเยาจากระยะไกลาพลางลูกพางไม่รู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่ทันใดนั้นเจนเจก็อุทานออกมาว่าเอ๊ะนางก้มลงเก็บหยบพกอันวิจิตล้าค่าส่งให้เยี่ยเยาคุณหนูดูสิเจ้าคนี่ดูเหมือนจะเป็นของที่คุณหนูเสี้ยทําตกไว้เมื่อครู่เยี่ยเยารับมามองปราดเดียวก็เห็นว่าบนหยบพกมิตราประจําตระกูลของจวนสิ้นอ๋องอยู่ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นของที่เสี้ยชิงจือทําตกไว้หยกพกนี้ดูท่าทางจะล้าค่ายิ่งนัก เยี่ยวกรอกตาไปมามุมปากค่อยๆยยกขึ้นเป็นรอยยิ้มอย่างมีเลน่นัยเจียนเจียไปลูบไปจนสิ้นอ๋องกันสาวใช้ทั้งสองตกใจเยี่ยวยกเอ่ย อ, อย่างมึกสนุกยกพกกล้ำค่าเพียงนี้ในเมื่อเก็บได้ก็ต้องนําไปคืนเจ้าของไม่ใช่หรือสาวใช้ทั้งสองไม่เข้าใจเรื่องเล็กน้อยอย่างการส่งยกพกคืนแค่ใช้ให้พวกนางคนใดคนหนึ่งไปก็สิ้นเรื่องแล้วมิใช่หรือแต่เยี่ยวไม่ได้อธิบายอะไรสาวใช้ทั้งสองจึงได้แต่เดินตามหลังนางมุ่งหน้าไปยังจนสิ้นอ๋อง พ่อค้าหาบเร่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรีบหลบเข้ามุมมืดทันทีสายตาที่แสงไปได้วยความยินเยียบจ้องขเขม็งไปที่หยบพกในมือของเย่ยาในกลุ่มพักพวกมีคนหัวไว้อุทานออกมาเบาๆหยกพกนั่นดูเหมือนจะเป็นหยกฉงจือ้อเฉลิศได้ยินว่าหยกพกนี้อยู่ในมือของคุณหนูจวนซิ้นอ๋องมาตลอดหรือว่าเย่เด็กนี่จะเป็นคุณหนูของจวนซิ้นอ๋องกันแน่พ่อค้าหาบเร่ได้ยินดังนั้นก็รีตาลงไม่ได้ปฏิเสธหรือยอมรับตามไป บริเวณใกล้เคียงจนสิ้น อ, อ๋อมมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาตามตรอกซอกซอยต่างติดภาพวาดประกาศจับสายลับและมือสังหารพ่อค้าหาเปรยและพักพวกทำได้เพียงมองดูเย่แล้เดินตรงไปยังประตูหน้าจวนสิ้น อ, อ๋อจากระยะไกลไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านั้นเมื่อกองทหารองค์รักษ์ที่ออกลาตะเวนผ่านมาพ่อค้าหาเปรยก็พาพักพวกนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียแล้วถนนสายยาวกลับคืนสู่ความสงบเงียบอีกครั้ง ยี่เยายืนอยู่หน้าประตูสาวใช้ทั้งสองข้าวไปแจ้งความประสงค์กับคนเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูเข้าไปรายงานและกลับมาแจ้งผลในไม่ช้า